ตัดต้นผมเย็บอะไรนี่มันด้วยมือด้วยมือรู้ันนี้จับคู่เดียวนะสะบอผืนหนึ่งมันเย็บพอชั่วโมงที่ไหนผมเคยเย็บนะระบอไม่ได้ถึงชั่วโมงนะยุ้งเท่าไหร่สี่ิห้าสี่สิบแปดนาทีมันลืมนะผมเคยเย็บอยู่ห้อทรายแต่ไม่เอาไมาถึงกระเพาะกถินนะมาถึงกระเาะกระบอธรรมดาผมดูิกา ดวนตั้งประชันเสร็จแล้วตอนล้างขันเสร็จแล้วจน ท, ทั่งถึงขั้มดวนขันเจ็ดหนึ่งได้สามผืนสี่ผืนเมืดมันเคยเยอะสังฆาติเนื้ได้วันนักขื น, นปอดีเจ้าของทำเ อ, องเจ้าของสวยลอ ย, อยวงสี่สิบแปดนาที สี่สิบห้าอยู่ในางานนี้เห็นยุ่งยากอะไรว่างนั้นน่ะเนี่ยถ้าเราเมื่อกดูกิริยาแสดงใหเห็นความยากของผ้าเนี่ะก็ไม่เห็นอะไรยุ่งมายุ่งอะไรกันยังแห่กันมานี่ผมดูแล้วผมดูไม่ได้เลยนะ เรียงความอยากของพระเราเนี่ยดูความอยากของพระเองจะนั่งตาไม่ชอบมาแห่กันมาอะไรจนที่นั่งที่นาจะไม่มีที่นั่งมีแต่พระแต่มศาลาเลยรวมที่เขาเป็นศรัทธาก็จะมาถวายสมุนท่านอะไรจนไม่มีที่นั่งมีแต่พระเหมือนว่าพระนีะ ทุกจนหนโลกจะตายมาขอรับถายเขาเต็มมุนผลานจึงงตอนนี้มันก็เห็นเรื่องความยาวของพระนะลนวัดเหล่านี้คุยได้เลยเนาะวัดนี้เป็นวัดให้นะไม่ใช่วัดสังสมให้ตลอดไม่ว่าอะไรๆที่ควรให้ให้ทั้งนั้นจัดปกติก็จัดอย่างนั้นจัดสิ่งของไปวัด น, นั่นวัด น, นี้เลย อ่่ไหนมีนมืออไปนะเอาไปนะเอาไปเอาไ ป, า ไ, ปไม่มากก็น้อยนั่นะจนได้ะะไม่น่าจะดอาการแบบหยา ห, ห็นเร็วนะดูแวแหมามนามนานลังอะไรยกคำนึง เราคานุงคำนวณถึงเหตุถึงผลมันไม่มีอะไรมาเป็นข้อสมอ้างเป็นเหตุเป็นผลพอที่ให้งามตางามใจเนีย่ยคิดเกี่ยวกับเรื่องพระที่มาลนะ่ะวงผืนเดียวเท่าฝ่ามือแค ะ, ะนั้นเองมนแห้งเลย ที่มาหาความเป็นธรรมในหล่านี้ผมยังไม่เห็นนะมาแห่กันกินที่เฉยนั้นเห็นนะยังไงจึงว่ามันยากยัง่งดิมีอะไรเต็มถั่วแตนในสลาหลังนี้ก็มาหาประยู่อะไรถ้านั่งปฏิบัตินั่งภาวนาไม่ยุ่งสิมนี่นะที่ไหนใจสงบสง่ดได้จะดนด้ันเข้าไปเข้าไปเราเคอยอย่างนั้นนี่ ที่แนะนำสิ่ั น, นี้มาพูดมันขัดกันมากขนาดไหนมันจริงเรียวกันเอาครูอาจารย์หลายพาระเนินมาเป็นเรื่องหาอยู่หากินเห็นกับอยอยู่นี่ว่าไงเอาต่อหน้าต่อตายด้วยภาษาภระาิษาักว่าตีเล็กต่อหนอาสาั่งคนเล่าเป็นคู่ในจานสอนพระเหล่านี้มาแสดงความรล่อะไรให้เราเห็นอุจจารบาดตายหนังหาดูได้เลย ความป็นความขโรกมามันก็ไม่เห็นมีเหมีผลความ ข, ขโร ก, ก็เห็นในปาติสสันู่ท่านขับเรืออนู่กมในป่าเนะี่ยลึกๆๆี่กพระสงทั้งหลายสนทนากันเรื่องการเจ ร, ริภพันธ์ของพุธาทธเจ้าท่านจ้าองค์ทรมปรุงพระชนมายุเงนเดือนสามเพลนไปลงไปแล้วจะถึงเดือนหกในช่วงนี้ ว่ามีความสุขเข้า้าว่าจบการเด็ดเป็นผันของพระช้าติต้องที่จะจากไปภาพิศาไม่ยุ่งของนุกท่านเข้าปากฝขาปาะภาพ ผ, ผีบ้านี่ยเลาหาเรื่องว่าภาพิศาจี่มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าขวดพระลักสั่งมาทีจแจ้งอย่างที่เคยได้ยินในตำหนักตำราเนี่ย พิสาเธอ บ, บอกว่าเธอเข้าไปในป่าหญิงเธอพระภาวนาหน่อยเวลาปูองอยังทรงผู้ชนอยู่นี่มีขัด้อขัดค้องตรงั้นเนี่ยทำเจ้าทูนถามเพ้าเวาปูมีทรงผชน อ, อ่าต้องได้ดีเร่งค้นคว้ยทางด้านของป้าข่มเพี้ยนอนว่างพทธิจาทากระวงอนุมอโมทนาสาธุการถูกแล้ที่สาเธอทานี่ เหมาะสมแล้วไหนะมาหายุง่งมาอยู่อย่างนี้เหมาะสมกว่า น, นี่ยอันนี้มันเรื่องอะไรกันวะนนอย่างนั้นเนาะนี่ปฏิสัพเป็นตัวอย่างนี่ปปกทะพกความบ้าเปลี่ยงอยู่ในป่านี่มายุ่งกันเรื่องโฆษณาบ้าเรื่องโอ้ยไปสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยไมายุงยงาาย่ ง, อ, อ, ง, ง, งอะลรคอาหมายคือว่างไง ปฏิบัติทำมุ่อรจะทำมาผู้บูชาส ถ, ถาคน น, นั่นเองคนอื่นไม่เห็นว่างพระที่สารให้ราปฏิบัติอย่างนั้นถ้าปฏิบัติเราให้เห็นความหยาบลนไปหนักหนักเข้าไปเลยเยไม่ว่าเราเ็นัดไหนแร้ว แม่นิดหนึ่งไม่เคยปรากฏดูส่งข้อบปนะที่เห็นเองจนะทั่งจะไม่มีอะไรส่ขอมันต่ายโรงพยาบาตั้งสีร็เลยมันสีล้านกว่าไงหัวเงินมันจะติดนี้แน่ขานี่ยรวมากความเป็นมันไหลมันร่นเข้ามา ส่วนหวานดูลดลงรถรถแบบมาติดตั้งรูรัลนะันเราไม่เล่นด้วยนะเราจะให้แบบข้จําเป็นนะบอกบอกผู้มือการก็หมอหลายวันมันแบบรูรัลแบบรู้ๆเราไม่เล่นด้วยนะว่ะติดตั้ง ล, ลงไคนไข้ในรถนั่นเราจะให้แบบข้จําเป็นนะไม่แบบรูรัลโกโกขน้นะ ว, ะว่าระวงนี่แหละวัน อย่างนั้นเนี่ยตัดออก ห, หมดถ้าใครติดเข้ามาคนนั้นเสียเองผบอกนี่ของหานเน่ยผมพูดอย่างนั้นก็หมอเรื่องอย่างนี้เรื่อ ง, องของโ ล, ลกเราเอาเห็นตุผลก็ไปไหว น, นะมันจะหมดมากหมดน้อยเหตุนนผลที่เหมาะสมแลเราดีดีตลอดกว่าถ้าแบบหาเหตุผลไม่น่าถ้าแบบอูฝ่าฝ่ายเราไม่เล่นด้วยนะเราบอกอย่เลยวี้เลยวันเรื่องของโลกเนี่ยเราผมพูดอย่างนั้น อัปรุงใการพูดกับพวกสงวนยาเ น, นี่นู้นไปเห็นถ้าจะได้แล้ไปทำถุงผีมางั้นเราไม่เล่นด้วยอีกนะวะว่างนี่แล้เราดักื่ยนี่วว่างนี่แล้วาทำอะไรเราจะมีเรื่อยทํารื่อ น, น, น, นี้วะคุกคนโกงอ่เสร็จ แ, แล้วนี่นะกดีมั้ยอการนี่ะี